นี่มันตั้งใจงคฟังเขาหลังจากการทําวัดเยี่ยมมนีนกัมาอบรมตืมเรื่องสู้สำเร็จคำว่าสูตรสําเร็จนี่มันสําเร็จมาในมรดกคนมันแสดงตัวมันเป็นของบริสุทธิ์จริงๆเขาเรียกสูตรสําเร็จและบันนี้าไปแปลหนังสือผู้อยู่นอกตัวเขาพูนส่วนสําเร็จสูตรของมันก็เลยโบได้ผล ผมว่าให้ฝังเมื่อเสาร์นี่ก็คือกันเม็ดเพชรทวกเม็ดมันเป็นของดีมีราคามีค่ามากถ้าหาเาเอาเอาอาจกจากตุนจากเลนได้มาคำทวกเม็ดเม็ดขับนี่ก็ได้เป็นของดีของงามของบริสุทธิ์มีคา่ามีราคามาก ถ้าหากเหวาเจริาไหนออกจากตมจากเลนมาได้คันท้าอยู่ในตมในเลนในแล่อมอยู่กับบดได้มีราคาอันนั้นเาสเูตรบ่สำเร็จสูตรสำเร็จหมายถึงเห่าปฏิบัติเอาเพชรหรือเอาทองคำจมอยู่ในตมนึออกมาแสดงมันจะแสดงตัวมันเองเพราะมันสำเร็จแล้วเด้ ที่ว่าตรงกับน้ามันบอสเซนไม่อันเดียวกันอันต้มคนนักับบอสเซนเพ็รไม่หิมีมิจฉาอันต้มคนนกับบอสเซนทองคำไม่มีอ่แน่เอาเอาไปยังสี่ที่ว่าสูตรสําเร็จตอนเตาเนี่ยก็ว่าให้ฟังรู้ไปถึงขั้นเป็นตอนไปโดยที่ไม่ปะปนใครทั้งหมดเลยสูตรสูตรนี้ เมื่อผมปฏิบัติตอนเย็นท่านผมรู้จักว่าผมเป็นพระไดต้ตอนเย็นนู่นแหลงผมมาเดินจมกลมกลับไปกลับมาหยุดมือแล้วผมกลับมานอนรื่อเ้ามาผมกลับมาลางหน้าแปลงฟันธรรมดาคือเอาเทปสูมือ่ะมานั่งสร้างจังหวะเดินจมกลมกลับไปกลับมามีตัวขี้เข็ดตัวหนึ่งแล่ น, นออกมาใส่หน้า บนไม่แล่นใจหน้าผมแล่นไปใจพวงทานผมผมเคยบนนี้เคยเด็กที่เก็บขัดทีด่หนึ่งเจ็บผมเลยเอาเทียนไขไตตามไปแล้วผมเห็นอลไรผมเอาเทียนไขกลับคืนมาใต้แบบของเก่าเดินกลับไปกลับมาสูตรมันเกิดขึ้นมาว่ากิเลสอย่างหนกกิเลสอย่างกลางกิเลสอย่างละเอียดอะไรสักอันนี้บมกว่า อธิสินสิกขาอาธิจิตตะสิกขาอาธิปัญญาสิกขาบุได้วาอย่างสัน้น mm. สินเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างงา่าบสมาธิเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างกลางปัญญาเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่งางละเอียดอโอเมื่อขแหล่นทันโทสาโมหะโลภจางคายไปกิเลสอย่างงา่ายโอ กิเลสตัณหาอุปทานในจางคายไปกี่เดียวยัง้ยสิ่งนี้ปรากฏขึ้นมาเนี่ยรียว่าสิ่งขันสมาธิขันปัญญาขันเรียกว่าขันสามอันผมเลยนเข้าใจหนึ่งปากก็เป็นขันหนึ่งสองกายก็เป็นขันหนึ่งสามใจก็เป็นขันหนึ่งเรียว่าสิ่งขันสมาธิขันปัญญาขันขันมีสิ่งขัน นีว่าขันสามอันผมแม่ขันสองขันหนึ่งขันสี่ขันห้าขันขันห้านั้นก็รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันอันขันสี่นั่นก็เวทนาสัญญาสังขารขันวิญญาณขันอันขันสามนีสิ้นขันสมาธิขันปัญญาขันรูปก็มีสิ้นคำพูดก็มีสิ้นใจก็มีสิ้นอันนี้เป็นสูตรสำเร็จขึ้นมา ก็เลยรู้จักสมถะกรรมฐ า, านกับวิปัสสนากรรมฐ า, านกับที่ตรงนี้สมถะกรรมฐานนั้นรู้แบบอย่างผู้ไม่รู้วิปัสสนาในรู้อย่างแบบผู้รู้มันจึงเป็นสู้เป็นสู้เป็นสู้ไปอย่างฉันสมถะกรรมฐานนั้นเป็าา น, น, นว่านั่งภาวนาที่ภาวนาพุทโธธ ร, รมโมอรหังคองยุ๊ก นับหนึ่งสองสามกอตามให้จิตใจสงบแล้วยกเอาขันห้าขึ้นมาที่ารนาไตาลักบูฮุจักข่าไตลักเา่าเป็นอาศัยเมื่อกลับเป็นวิปัสสนาได้รรรโบแมนอันมันนึกมันคิดเอาเองมันเข้าไปในความคิดดังนั้นจึงว่าเอาความคิดลากเอาตัวสติโตสมาธิโตปัญญาอันนี้ออกไป เขาก็เลยบบได้มารู้จักตัวเขาบัดนี้เขามาทำการเคลื่อนไหวโบต้องหลับตาพอดีมันคิดรู้จักเห็นรู้เข้าใจเอาอยู่แค่นี้แหละอันนี้ควรสงบแบบมันมาจนกาเกาะกระวาได้ควมสงบแบบนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วมันจะหยุดการศึกษา การเล่าเรียนการหาครูหาอาจารย์ได้ควรมสงบแบบมีทีตืออันสงบแบบบาลูนั่นแทบนั่งสงบบัดแต่เขาสังคมเขาแล้วกันขันว้ามูโบเซื้อกฟันรักเกอร์โกรกเกียดบกหัใจมันไม่สงบเขาเอิ้นว่าหิงศิลาทับงาสมถากรรมฐานจึงเปิดอุบายให้สงบจิตคือเอาหีงไปทับงาไว้นี่ บ้า น, นี้หินทัดง่า ม, มันเย็นบาดเอาเหินออกแลยง่ามมันงอขึ้นมางามก็เดินนี่อันนั้นบนัไม่ควมสงบในหลักพระพุทธศาสนาความสงบของาศาสนาธรามเนี่ยหูวจักขางสันโอ้นี่นี่สูตนี่มันเป็นอย่างซีบันดนี้มาทำความรู้สึบตัวบัดนี้มันคิดเห็นรู้เข้าใจเนี่ย ตนี้เป็นตัวสติเป็นตัวสมาธิตัวปัญญาเขาเอื้นงขมรู้สึกตัวเขารู้สึกตัวแล้วตัวความคิดมันบทูกปุงแตงไปได้ถ้าห้างเขาบ่เห็นความคิดมันจะปุงจิตแตงเขาไปเรื่อยๆไปเลยอันนี้เป็นไปนสูรไปอย่างสีจึงว่าเลียนลัดเลียนรัดหลักพระพุทธศาสนาโดยตรงอั น, นี้ บนเรียนจังสั้นจังที่จึ้มีวิธีการมีเทคนิคมีกลไกลการกระทเฮ็ดจังหวะจังหวะนั่นก็หากฝึกหัดกันแล้วเดินจมกลมการสร้างจังหวะเดินจมกลมกับหัจักการหุจักเวลาตอนเศร้าผมบอกอยู่ตีสามสาสิบหรือตีสี่ 4, เนี่ย เอาลูกออกมาเดินโจมให้คนเห็นคันคนุขี้คานมันกรโบเห็นแล้วปฏิบัติธรรมะมังก็บโบก้าวหนะ้าตามหนังสือเพจนากุปปาธรรมโมอากุปปาธรรมโมสิปาลิหานณะธรรมโมสิันคนุขี้คานรูน้อยๆแล้วก็มันจีบหายจีบหายไปเพรนว่ามันโบก้าวหนะ้าคนใดตั้งใจปฏิบัติย่างวาในพญาวาอนุรคณาพภู อย่าง น, อ น, น้อยเจตนาพะโผตั้งใจประพฤติปฏิบัติรู้จักการรู้จักเวลามันก็ก้าวหน้าคนว่าอย่างสัน้นะผมอ่านหนังสืออพิธำเพื่อนแปะว่ายังสั้นจาให้รู้จักการเวลาลักการลักนานจะเป็นคนเห็นแก้หลับแก้นอนแก่พูดแก่คุยมันโมดี ปีนี้เราฝึกกันเพื่อจะผิดให้เป็นครูของคนว่าแล้วก็เสื้อฟังกันต้องทำตามเจ้าเดินจมกลมค่อยก็เดินจมกลมเจ้านั่งสร้างจังหวะค่อยก็นั่งสร้างจังหวะเห็นกันมีความละอายในใจถ้าเราโบาทรมนันละอายคนผู้พิท ham เป็นยังไอย่าเอาความสั่วมาแสดงเอาความดีมาแสดงต่อกัน ให้มันเห็นเป็นครูของกันและกันให้เป็นครูของกันและกันนี่หมายถึงจะใดเจ้าเฮ็ดกับเป็นครูคอยคอยเฮ็ดกับเป็นครูเจ้าเจ้าตื่นก่อนคอยคอยตื่นก่อนเจ้าโบแม่นใช่ว่าห้อยยามตื่นแล้วโบตื่นห้อยยามเฮ็ดแล้วบเฮ็ดเขาบอกคนขี้คานคเานเลวยากสันดานของตัดบ์ไม่สันดานของค น, นมันแก้ไขโบตก มันต้องแก้ไขตัวเองที่หลวงปู่วายเนี่ยอันนี้เป็นการปฏิบัติธรรมะเมื่อแรงมาเขาเก็เดินจมูกย่ามานั่งเว้านั่งคุยกันเจ้ากระเดินค่อยก็เดินเจ้าก็เห็นค่อยเดินค่อยก็เห็นเจ้าเดินนี่ค่อยก็เห็นเจ้านั่งสร้างจังหวะเจ้าก็เห็นค่อยนั่งสร้างจังหวะมันมีความละอายในใจเป็นวะนี่ขมละอายแต่ใจนี่เป็นว่า คนบนมี้คมละอายแก้ใจมันกับเอินสันดานของสัตว์สันดานของผีเขาว่ากันหนึ่งมาผีตายกินหัวไม่ได้เกินเวายาาเวตเนี่เขาบานมีตาทิพ์เขาจีบว่าเห็นผีเด้ผีคือคนที่เกียจขี้คานคนทำสัวพูดชัวว่างากสอนยากเขาเอินบักผีคือผี บนแม่แข้งขาหน้าตามือเท่าเป็นผีใจมันเป็นผีต่อมากะเออหน้าสันดานคือสัตว์เนาะนีย่ยแต่ร่างกายแข้งขาดหน้าตามือเท่าบนแม่สัตว์ใจมันเป็นสัตว์เดลสารเพราะมันต้องมีผมละอายในใจให้เราเข้าใจที่ผมวานเนี่ย <c oughs> อันนี้เป็นสูตรสําเร็จง่ายๆให้เราเห็นพระธรรมพระธรรม พระทําการพระทํางานพระพูดพระคิดทําให้เป็นพระธรรมทุกคนเป็นพระธรรมทุกคนเป็นผีถ้าคนใดทําดีเขาเอื้นพระธรรมถ้าคนใดทำชั่วเขาเอื้นผีธรรมบนเวนพระธรรมนะเป็นสีเป็นแสงเป็นลูกแก้วเมื่อเป็นพระอันใดมา สุมเข้าตัวเฮาโบแมนอันแสดงว่าเฮาโบหิจิตโบหิใจเฮาคิดมันเป็นอันสูตรอันนี้มันกว้างแล้วเฮานี่มาติดอยู่ระหว่างมีโบแมนความสงบนั้นจึงมีสองอย่างสงบแบบสมถะกรรมฐานแบบหนึ่งสงบแบบวิปัสนาภาวนาแบบหนึ่งวิปัสนาแปลว่ารู้แจ้งรู้จริงรู้แจ้งลู่จริง รูล้วตั้งเก้าล่วงภาวะเดิมตั้งเก้าอันใดแต่ก้อนเคยนอนตุ้มสุสวยตื่นตึกในบัดเี๋ยวแต่ก้อนเคยสูบบุหรี่เลิกได้แต่ก้อนเคยเป็นคนพูดมากคุยมากเลิกได้แต่เฉพาะพูดแต่ขวมจริงเท่านั้นนี่เป็นต่างเก่าล่วงภาวะเดิมล่วงจากควมเป็นผู้ทุศน ขึ้นมาสู้ควมเป็นพระอริยบุคคลเพ่อดลวงจากภาวะเดิมผมถามว่าความเป็นคนเนี่ยผู้ใดให้ซื้อเสียงเรียงนามมาถามข้าเจ้าข้าเจ้าก็เอิ้นกันมาจาัง น, นั้นแสดงว่าคนผู้นั้นยังไม่ได้ศึกษาหลักพระพุทธศาสนาเล่าเป็นซื่อ <c oughs> ควาว่าความเป็นคนไม่หมายถึงเลือกคัดจัดหาเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์ มาพูดมาคุยมาแนะนำํำทำสอนกันอันนั้นซึ่าเป็นคนควมเป็นคนกับควมเป็นปุถุชนเขาจะมาแย่งกันไว้แต่เนี่ยพอบอแกแย่งว่าปุถุชนกับคนเป็นคนควมเป็นคนผู้มีปัญญาจึงเป็นคนควรเป็นปุถุชนเขาจะเอิ้นคนผู้มีปัญญาอันปัญญาหาเงินหาทองหาพูดหาคุย้บแมเนี่ยผู้มีปัญญาอันนี้ ต่อจากนั้นมาหลวงพ่อรู้จักอันนี้หลวงพ่อก็เลยรู้จักการทําบาปด้วยกายเอาเจ้มือนี่แหละไปตีเขาทําจันทนาศีละไปถ้าหากนรกมีตายไปแล้วกี่ไปตกนรกขุมใดนี่สูตรมันเป็นอย่งซีเลยสูตรสร็จบาตนี้กายบ่ท า, า ม, มีแต่ปากว่าสื่อ กู ข, อ ข, อขี้เกียจกู ข, อ ข, อขี้นายกูอ ย, ยากฆ่าอยากเตะแต่หักโบตะบบตีอย่างเราๆว่วาซื่อๆอันนี้คําพูดซัวซถ้าหางแล้วลกมีตายไปได้วจิไปตกนัโลกคุมใดเนี่ยเข้าใจยังสิสูตรมันบานี้ปากกระสาวววใจคิดซื่อใจคิดอิจซาฤษยาเบียดเดียนคนนั้นคนนี้ซื่อ ถ้าหากนรกมีตายไปแล้วคิดไปตกนรกขุมใดนานจากปีจากเดือนสามอันอนีนี่สูตรของมันเข้าใจไหมทั้งสี่บัดนี้กายกระทําคําพูดกรพูดใจกระคิดเป็นสามอันรวมกันถ้าหากนรกมีแล้วตายไปคิดไปตกนรกขุมใดนานจากปีจากเดือน ูอั น, นมันต้องรู้จักกานวิปัสสนาจึงว่าเห็นแจ้งรู้จริงต่างเก่าลวงภาวะเดิมมันเป็นอบัดนี้ในทางตรงกันข้ามถ้าหากทำบุญเหมือนทำแต่บุญใจบุญจากบุญให้หมดไปมีแต่ปาถนาอ้อนวอนอะรือปากโมวาวโมวาใจก็าบรได้ทิ์เห็นเขาทำก็ทำไปก็จะทำบุญ ถ้าหากสวรรค์มีตายไปแล้วจิตไปเกิอดจุดสวรรค์สั้นใดนานจากปีจากเดือนหูจากไปอย่งสั้นสูตรของมัน <c oughs> บา น, นี้รีายบอดธ ร, รมมีแต่ปากเวาสุสือทําบุญอย่างนั้นทําบุญอย่างนี้มีแต่ปากวาถ้าหากสวรรค์นิพานมีจริงตายไปแล้วจิตไปเกิดสวรรค์นิพานสั้นใดนานจากปีจากเดือน สูตรของมันเป็นอย่างซี่บัดนี้กายกระบาดทำปากกรบบพดใจคิดอยากทําเตยบุญใจคิดซื้อซื้อยังไม่ได้ทำบุญคือบัดนี้ถ้าหากสวรรค์มีตายไปแล้วจิตปรยุทธสวรรค์นานจากปีจากเดือนงูจักสัน้นเห็นจังสั้นงูจักสังันเข้าใจจังสัน้นยอดสูตรสําเร็จ มันสำเร็จมาในตัวมันเองอันนี้บัด น, นี้มือกระทำดีปากกรว่าดีใจก็คิดใจดีเนื่อทำบุญด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจบันรวมกันเขาถ้าหากสวรรค์นิพพานมีแล้วตายไปได้จิตเกิดสวรรค์นิพพานสันใดนานจากปีจากเดือนสูตรมัน รู้จังซีเห็นจังซีเข้าใจจังซีญาพ่อปฏิบัติธรรมเ า, าพ่อจิตวัตรสู้สำเร็จมันสําเร็จรูปตัวของมันเองจึงว่ารู้จักความสงบเป็นพอดีมาเห็นอันนี้เลยคลายคลายคือมันขาดออกจากกันีันก็ว่าได้รู้จักขึ้นมาคลายคลายคือว่าจำดีบ่มนีน้ำเนี่ย แหงปีออกมดมีพาบาทเฮาบัดมีพาบาทเฮาเลือดมันพุ่งออกจากปากบาทบาทนี้เมื่อมาเห็ุยังเสี้เลือดมันกลับขืนมดทุกหยดเข้าสู่สภาพของมันร่างกายเฮาเนี่ยเหมือนกับดักแด้ที่หอนเลี้ยงมอ น, น, นมันเข้าสู่ในป้อมันหดมดทุกเส้นคนทีเดียวเข้าสู่สภาพของมัน จี้จ่างไปเมื่อหรือจีเปียบอย่างหนึ่งคล้ายๆคือว่าเขาติดไปฟานมอดปุ๊บกระไดหรือว่าไส ฟ, ฟ้ า, ห, าห่อนิบบทันมาเดียเปิดุ๊บกระไดมันเป็นอะไรก็เลยรู้จักความสงบผันโอความสงบหมายถึงศึกษาเล่าเรียนในเพศพ ม, มจันท์จบเพราะมันคาดเอาจากการประมาณหลวงพ่อกำลังยางอยู่อันนี้ หลวงพ่อว่าหลวงพ่อเคิร์ดดินก็จากเม็ดหนึ่ง oh สองเม็ดพูดเดีแต่บนแม่นเคินดินเนี่ยพอยางอยู่กลางดินอันนี้แหละสูตรสําเร็จของมันต้องรู้มาอย่างสิ่พอดีรู้อันนี้แล้วหลวงพอเลยโอ้การศึกษาหลักพระพุทธศาสนาศึกษาของจริงรู้ของจริงเขาจีงได้เห็นพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นภายในจิตใจของเขาที่ตรงนี้เป็นอย่างไน การศึกษาเลาเรื่องกระจบที่ตรงนี้เนี่ยครับแกผู้อื่นที่ไปจบทางใดเราก็บูกจากสูตรของมันเป็นอย่างสิถ้าหากม่นเป็นอย่างสิบนี่บันเป็นสู้ย่างที่ดงพอวานี่เ้อย่างที่ดงพ่อวานี่เป็นสูตรสูตรหนึ่งต่างหากบมได้ไปเรียนนักทำตีนักทำโทนักทำเอกอันนีได้ไปเรียนมหัมมหามียั่งอันนี้ แต่มันสําเร็จรูปมันมาจากตัวมันเองหมดสำเร็จคําว่าสําเร็จเนี่ยครับพอเข้าใจว่าสําเร็จคือว่าสําเร็จเอาเอาเพชรออกจากตมจากเลนนั่นหมาได้สื่อเมื่อเอาเม็ดทองคําออกจากตมจากเลนมาได้สื่อมันสําเร็จยกมือไหว้ตัวเองขึ้นมาได้อืรู้จกักการจบเพชรพมจันทร์มาจบที่ตรงนี้เมื่อเรารู้จักเพชรพรมจันทร์จบแล้ว เาจะบอกว่าเมื่อถึงที่สุดแล้วยานยอมมีอยู่สันคูบ า, าจาันพุ่นสอนศาสตร์สิ้นแล้วพบสิ้นแล้วผมอาจรรย์อยู่จบแล้วกิจอื่นไม่มีกิจการศึกษาหลักพระพุทธศาสนาศึกษาอย่างย่อๆแปลว่าใส่ได้ขัง้งขวดดีเดียวนี้เราไปศึกษากับตำรับตำลามากก็เลยบ่ได้มีผู้ใดศึกษาสูตรสูตรเหล่านี้ เลือนปริญาตีปริญาโทรปริญาเอกมากกาบ่ได้เข้าใจสูตรอย่างนี้ไปเข้าใจอย่างอื่นที่หลวงพ่อนํามาเราให้ฟังเพื่อเป็นการเตือนจิตสกิจใจของพวกเราให้เราทุกคนได้เตี้ยนแปลนนิสัยเดิมเดิมของพวกเราญาติเป็นนิสัยเดิมญาติเป็นนิสัยของสัตว์ญาติเป็นนิสัยของคนพาล หลวงพ่อเคยว่าให้ฟังห่วงพ่อเป็นโนมมาสอนอยู่ที่บ้านฝึกหัดเฮ็ดจังหวะลุกจังหวะนั่งเฮ็ดจังหวะไหว้ตัวเองจังหวะกล้าบเป็ น, นอะมาคนลุกนั้นกางหูข้าเจ้าก็มีครอบครัว สุกออกไปกับมีแต่โบได้มีคนสึกบอกมีแต่พระหลวงตาแล้วขจจกะว่าธรรมะอยู่ตรงสันออกจากหันหลวพ่อมาอยู่ป่า พ, พุทธยาณงู ม, มหาบทองงูนี่แหละงูไอเอ็นหลายคนมาอยู่หันคนทั้งอุบโบสนมาขจจก็มาปฏิบัติอยู่นี่ใช้เวลานาน และปฏิบัติธรรมะพวกขาเจ้าศึกไปค้จะาก็ย า, าว่าธรรมะอยู่ยังเฮ็ดกันอยู่คงที่คงเดิมเป็นอย่างนั้นนอกจากฮันหลองพอออกไปตามอยู่ขนแกมอยู่ขุงเทพสอนกันมันเป็นพิธีเว้ามันก็เลยมีแต่เว้ากับเว้าและวันนี้ขันศึกหาลาเทศ นานจากปีจากเดือนเู้จักไปอยา่างสูตรของมัน <c oughs> บัด น, นี้กายบ่ทำมีแต่ปากว่าสือๆทำบุญอย่างนั้นทำบุญอย่างนี้เป่ามีแต่ปากวา่าถ้าหากสรวรรค์นิพานมีนมจริงตายไปแล้วจิตกระสืสวรรค์นิพานสั้นใดนานจากปีจากเดือนสูตรของมันเป็นอย่างซีบัด น, นี้ ตายกรรมฐานปากกรรมพอใจคิดอยาก ท, ทําเจบุญใจคิดซื้อซื้อยังไม่ได้ทาบุญคือบัดนี้ถ้าหากสวรรค์มีตายไปแล้วจิตไปยุตสวรรค์นานจากปีจากเดือนงูจักสัน้นเห็นจังสั้นงูจักสัง้นเข้าใจจางสั้นจิตว่สําเร็จมันสําเร็จมาในตัวมันเองอันนี้บัดนี้ มือกระทำดีปากกว่าดีใจก็คิดแต่ดีอย่าทำบุญด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจบน่นรวมกันเขา้าถ้าหากสวรรค์นิพพานมีแล้วตายไปได้จิไปเกิดสวรรค์นิพพานส่้นใดนานจากปีจากเดือนสูตรมนันต้องรู้จังสีเห็นจังสีเข้าใจจังสีอย่าพอปฏิบัติทา อย่างพ่อเจวัาสูตรสำเร็จมันสำเร็จรูปตัวของมันเองจึงว่ารู้จักความสงบเป็ น, อนพอดีมาเห็นอันนี้เลยคายคายคือมันหาดออกจากกันกับว่าได้รู้จักขึ้นมาคายคายคือว่าสำดีบ่มีน้าเนี่ยแห้งเปี้ยอมัดมีทาบาทเท่าบันี้ มีผาบาทเขาเลือดมันพุ่งออกจากปากบาทบาดนี้เมื่อไม่เห็นยังเสียนเลือดมันกลับขึ้นมดทุกหย ด, ดเข้าสู่สภาพของมันร่างกายเขาเนี่ยเหมือนกับดักแด้ที่เหอนันเลี้ยงมอนมันเข้าสู่ในป้อมันหดมดทุกเส้นคนทีเดียวเข้าสู่สภาพของมันจือจางไปมดหรือจีเปียบอย่างหนึ่งคล้ายๆคือว่าเขาติดไปฟัน มอดปุ๊บกระไดหรือว่าไสฟ้าหานี้บบทันมาเถอะเปิดปุ๊บกระไดมันเป็นอสไนก็เลยรู้จักความสงบฟันโอ้ความสงบหมายถึงศึกษาเล่าเรียนในเพศผม่าจันจบเพราะมันคาดเอาจากการประมาณหลวงพ่อกำลังยางอยู่อันนี้หลวงพ่อว่าหลวงพ่อเคิดดินก็จากเม็ดหนึ่งสองเม็ดปุ่นเด็กเจบนแม่เคิรดดิน เนีย่ยพ อ, อยางอยู่กลางดินนั้นอันนี้แหละสูตรสําเร็จของมันต้องรู้มาอย่างสี่พอดีรู้อันนี้แล้ ว, ลวพอเราออการศึกษาหลักพระพุทธศาสนาศึกษาของจริงรู้ของจริงเขาจีงได้เห็นพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นภายในจิตใจของเขาที่ตรงนี้เป็นอย่างไนการศึกษาเราเรือบกระจบที่ตรงนี้เนี่ยพอ แต่ผู้อื่นกี้ไปจบทางใดงเราพอบุหะจักสูตรของมันเป็นอย่างสิถ้าหากม่นเป็นอย่างสิบ <c oughs> น, นี่บุนสูตรอย่างที่ดงพอวานีเ้อย่างที่ดงพอวานี่เป็นสูตรสูตรหนึ่งต่างหากโมได้เป็นเรียนนักทำตีนักทำโทนักทำเอกอันโมนได้ไปเรียนมา ah ห um ่มมหาเมยั่งันแต่มันสําเร็จรูปมันมาจากตัวมันเางสำเร็จ คำว่าสําเร็จเนี่ยครับเข้าใจว่าสําเร็จคือว่าสําเร็จเท่าเอาเพชรออกจากตมจากเลนนนั้มาได้ซื่อเมื่อเอาเม็ดทองคําออกจากตมจากเลนมาได้ซื่อมันสําเร็จยกมือวหว้ตัวเองขึ้นมาได้รู้จกักการจบเพศพรมจันทร์มาจบที่ตรงนี้เมื่อเรารู้จักเพศพรมจันทร์จบแล้วเขาจะบอกว่า เมื่อถึงที่สุดแล้วหยาญยอมมีอยู่ทันครูบาอาจารย์พูนสอนศาสตร์สิส้นแล้วพบสิ้นแล้วผมอาจารย์อยู่จบแล้วกิจอื่นไม่มีกิจการศึกษาหลักพระพุทธศาสนาศึกษาอย่างยอ่อยย่อแวดใส่ได้่ว้างขวงดีเดียวนี้เราไปศึกษากับตำรับตำลามากก็เลยบได้มีผู้ใดศึกษาสูตรสูตรเหล่านี้ เลียนปริญาตีปริญาโธปริญาเอกมากกวบ่ได้เข้าใจสูตรอย่างนี้ไปเข้าใจอย่างอื่นที่หลวงพ่อนามาเราให้ฟังเพื่อเป็นการเตือนจิตสละจิตใจของพวกเราให้เราทุกคนได้เตี้ยนแปลนนิสัยเดิมเดิมของพวกเรายาเป็นนิสัยเดิมญาติเป็นนิสัยของตัดญา่าเป็นนิสัยของคนพาล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 เม่ยังบทันรู้ก็ต้องเป็นแต่อย่างสังสนสกอร์ทัพทั้งหลายเหมือนเราตถาคตเหมือนกันทัพทั้งหลายเป็นตถาคตก็เป็นเหมือนกันแต่หากบมินเป็นเหมือนพระพุทธเจ้ายาวาสาวกพุทธะเขาสวดมนต์กันพุทธานุพุทธังสามารถสิริทิฏฐิ ผู้ตัดสู้ตามพระพุทธเจ้ามีสิ่งและทิฐิเสมอกันมีความรู้ความเห็นมีความเข้าใจเลิกละจากขวางตัวได้คือกันกับพระพุทธเจ้าได้เหาว่าได้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นสาวกพุทธะบุตรสุดท้ายนี่เพื่นสอนเอาไว้ดีสัตสัทั้งหลายันเราผู้เป็นตถาคตไปถึงแล้วแห่งนั้น และจะนำมาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามย่างเราตถาคตนี้ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีย่างเราตถาคตนี้จะเอาบวาเใหดตามเอาบวาปฏิบัติตามและมันจีรู้จีเห็นจีเป็นจีมีคือพระพุทธเจ้าได้บอกเขาต้องทำลองเบิง้งปีนีทุกองค์พระ เนทุกองแม่ขาวแม่ดำทุกค น, นขันคีเกียร์ีคารแล้วต้วงมีทางไหนย่าเป็นคนปากดูย่าเป็นคนเราดูคนทำงานให้มากทำงานมากแล้วก็รู้หนังสือเขาเขียนไว้ก็ว่าไม่เขียนดอกผมเอาไว้เถอคนจริงต้องปฏิบัติรูของจริงคนจริง แต่โบปฏิบัติจริงมันก็บวกเก้าหน้านแล้วอย่าให้มันถอยหลังการปฏิบัติธรร ม, มผมไปเฮ็ดโมท น, นานนี้เรซื้อๆกันแล้วเพราะผมมเป็งคนที่กัวบาปอยู่แล้วผมอ่ะผมย้ายไปตกนรกเห็นเห็นรูปบ้านผมมแต่งรูปเฮวาดรูปไวในสิน่งผมเป็นเนรเป็นเด็กน้อยเป็นหนอนยีนนยในวัดนี่เป็นเนร คนไปตกนรกเจ้าโยมพิบาลเอาโนยนไปตกนรกตูมลงไปเอาออกมาจากนรกมาขึ้นต้นไม้ขึ้นไปต้นมีวนะนามซองหลงเวละขึ้นหมากัดบดเนี่ยเตี้ขึ้นไปดังเทงพุ้นานามมีวเพิ่ปักเขาทีถอยลงมามาเพิกกัดเป็นอย่ะไรเลือกกัดหมากัดเลือดน้อยเลยพอดีหมดกรรมหมดเวรเอามานอนในเพดเด็กแดง จ้าโยมพิบาลเอาควรมาแทะเนี่ยมันเป็นติดศนาเว้าให้คนฟังเปน็นัเอาควรเหล็กคนทอมาตักโป๊ะโต๊ะก็ะคือเขาตักไมนนอนอ้น้อดองสัญญาบานี้พอดีมันซื้อในดาประโยนลมวัฒนานลกอีกซึ่งตู ง, ง, งลงไปฮอนขึ้นมาบ่นเอาไปขึ้นตรงนี้ขึ้นไปเทงพูดบ่นเวลาขึ้นนามซ่องลง เวลาลงหนามทองขึ้นแห้งสพเหล็กสพทองจิกหัวลงไปนี่มันก็จําเป็นก็ต้องไปพอดีหมดกรรมหมดเวรนั้นเราเอาญาญมพิบาลอํานอนตูมลงแผ่นเหล็กทองแผ่นเหล็กแดงอีกตื้นญาญมพิบาลเอาเสืบังทัดมาตีอยากให้มันซื่อบันตรงเห็นหรืเห็นได้ตาผมันเป็นภาพจิตตาไวเพราะมันเห็นมาแต่ห น, น, น้อยๆพูนเลย หากฟือแล้วแบบ น, นี้เอาไปโยนลงมนต์นรกอีกตื้นตูมลงไปอีกตื้จนหมดกรรมหมดเวรนานคุณละ่ะเขามาปฏิบัติธรรมะก็ต้องสำนึกอย่างสัน้นขันถ้าเขาอยากเป็นคนดีเลยนี่ขันยักเป็นคนทั่วกระจำเป็นแล้วว่าบุญได้เป็นสันดานของสัตว์เป็นสันดานของผีเขาฟังศีลแก้ได้โนวดของยังเสียขันถ้าเป็นคนจริงๆถ้าบุญเ่็นสันดานของสัตว์ เอาสันดานของคนเข้าไปเอาสันดานของมนุษย์เข้าไปเอาสันดานของเทวดาเข้าไปเอาสันดานของพระอิน์ข้าพเจเข้าไปที่สุดมันก็เป็นพระอริยบุคคลเป็นวะเฮาเหตตามเพิ่นแล้วเดชอันนี้มันน่าไหว้หลังหลอกบอดีเวลาการงานเขาต้องการเป็นการงานเป็นงานเป็นเดี๋ยวนี้มันบ่ยจะมีคนว่าจัางว่าปีนี้เขาพยายาม ฝึกกันจริงจริงจังๆเหาเข้าวพันธะมากหลายมือเลือเด้เอเหาพยาานแต่งอันใดบ่ดีบ่งามเอาพยานแต่งใ ห, ให้มันดีให้มันเรียบร้อยถ้าห้างเข้าปฏิบัติจังทีคนทางอื่นมาเห็นเขาก็มาเบิ้งลืมมูเอเขาก็จะเห็นตัวพวกเขาคนใดเป็นยังใดคนใดเป็นยังไดเขาก็จะได้ เ, เห็นพวกเขาการนงผ้า ย่าไปว่าให้การให้งานย่าไปว่าอันนั้นนี่นุ่งให้เป็นระเบียบเรียบรอย้อ ย, น, น, น, อยโโมมนุ่งผ้าทํางานให้จังสั้นนุ่งผ้าทํางานเร่องติโบแมนอนเฮมันผิดคําสอนของพระพุทธเจ้าให้มันคล้ายคลคือกันนุ่งแบบเดียวกันงางแบบเดียวกันเพราะยังว่ารู้ตามเห็นตามเข้าใจตามคล้ายคลคือกันเจ้าบุก ค, คือแท้ก็ให้มันคลายคลายคือกัน ข้อหาฝึกหัดได้อันนี้ยฝึกหัดกายทำฝึกหัดลูกทำยิ่งว่าพระธรรมยอมรักษาผู้ประพฤติธรรมไม่ให้ตกไปในที่ซุ้ยเขาเป็นพระธรรมไหมบุตรได้เป็นผีธรรมไหมคันเป็นผีธรรมมังกรสันดานของผีพี่กับคนจึ้งวาวกันบ่ได้พี่กับตัดรัรษาจึ้งวาวกันบ่ได้เพราะมันบุ้รู้จักภาษากันเด้ มันต้องรู้จักภาษากันที่ผมวานโบต้องไปเรียนภาษาอินเดียได้ดีนีว่าภาษาคนไทยเด้เพราะผมเป็นคนไทยเด้สูตรที่ผมเรียนมานี่ที่ผมรู้มานี่กระบอต้องแปลอิสระดวยเนะ่ผมว่าภาษาไทยแท้ดินอันโบต้องแปลเป็นภาษาอินเดียได้ผมว่านี่มันสําเร็จมาในตัวมันเองเลย จว่าสูตรสําเร็จพันวาอย่างสัง่งแต่ตํำลาพันว่าจังแต่ใช้บุ้งจกักผมเลิกละได้ขม่มตัวรับรองได้จริงๆผมจึงสามมาสอนมาแล้วได้สามสิบกว่าปีแล้วผมว่าจะด้ยังสีผมไม่ว่าข่มอ่นการนานันดีแต่ผมบอกว่เอามาเป็นอาร์ซีบวเอามาเป็นอารมณ์ผมที่เอาอันนี้ ผมจีว่าอันนี้เพราะว่าสิ่งนี้บ่มีคนพูดสิ่งนี้บ่มีคนเล่าสิ่งนี้บ่มีคนสอนผมว่านี่เราต้องสอนแบบนี้มีหลักพระพุทธศาสนาสอนรัดธให้คนเอาพระธรรมไปใจให้คนเอานิพพานไปทุกเก้าทีเดียวนิพพานนั้นหมายถึงดับเพราะว่าตายแล้วเกิดกับผิดตายแล้วสูญกับผิด จะเอาสิใดมาเป็นนิพพานนี่นิพพานก็คือความเย็นนั่นแหละนี่แหลความสงบความสงบแต่ว่าหยุดห่าครูบาอาจารย์หยุดหาวิธีทมเพราะเรารู้จริงเราได้ของจริงมันเป็นอย่างนัง้นเนยเพิ่นว่าเรียว่าอาดีตที่ผ่านไปแล้วแก้บอดาอนณาคตที่ยังโบทันมาถึงก็แก้บอดาเขาจะให้จังไดเบ็นี้ เอาอาดีตมาไว้ใกล้กันอาอนาคตอานาคตมาไว้ใกล้กันให้มันอยู่กับปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้แก้ได้ใบเดียวมันเป็นอย่างนั้นอันนี้ที่นํามาร้อาให้ฟังพระทุกองค์เนนทุกองค์แม่ขาวแม่ดําทุกคนถ้าจําแล้วทําอย่างนี้การปฏิบัติธรรมะทับมี้ควรเอาจิตก้าวหนะ้า พ่อคนมาเห็นเนี่ยคันมาเห็นมานั่งมาเว่าวมาคุยกันยู่บ่เป็นทางแล้วกุตฏิเขาขยิบพยายามจัดการกันเข้าแทงน้ํานี่ผมก็อยากให้ยกขึ้มันสูงเอาน้ําไปมันได้ไกลเป็นอย่างไรอย่างแทงน้าบ้านกุฏิอยู่ขคุณเพ็ญสแทงยกสูงเอาเสามาตั้งอยู่แทงกุฏิดีดเพิ่มกติมสองแทงยกสูง ตั้งเหาเอาน้ำไปทางอื่นทางไกลได้จรินเนี่ยหกแทงแล้วเนี่ยเหาแทงน้ำนี่คุ้มจีนแล้วเหาถ้าคนใดบด่ดีอยากให้หนีโอ้ซือซือกันแล้วผมมันเตืองน้ำได้หนิเตืองไฟไตอีกิดนเตืองกุฏิอีกิดนมันมาทําให้มูเสียด้ยิ่งคนรหวังดีต่อมูอคนหวังดีต่อมูอต้องเสียสลละ เจียการเสียงานทําการทํางานทดแทนกันเป็นว่า อ, อย่างนั้นการปฏิบัติธรรมะก้าวหน้าก็ต้องเห็นพ้นทําเราก็ต้องมีความละอายในใจคันพ้นทํามตัวอย่างนอนอยู่โอ้ยมันเต็มที่แล้วผู้อย่างสัน่นเลิกละจากขมตัวโบได้สันดานของสัตว์แล้วนั่นสันดานของผีแล้วนั่นคนเล่ามันบูรุษภาษาแล้วนั่นเหว่านี่บนนม้น บ, บังคับ ผมว่านี่บุญเป็ส่งเสริมว่าด้วยควาวังดีว่าด้วยความผู้คนที่ตั้งใจอยากทำอยากเปลี่ยนแต่นิตรใเดิมสันดานของเขานิตรใเดินเดินเมืมันเป็นอย่งซันสันดานเดินเดินมันเป็นอะไรังต้องแก้เอาตัวเองให้ผู้อื่นแก้ให้บ่ได้ถ้าพระพุทธเจ้าเองก็แก้ให้บ่ได้คนว่าอันนี้เจ้าคณะอำเภอเสียงคานไว้ยปลุกสังแต่ผมไ่รู้จักรหรอกว่า อักาตาโล ต, าา ต, าะตะถาคตาพระตถาคตเป็นแต่เพียงผู้บอกผู้แนะนำเท่านั้นการประพฤติปฏิบัตินั้นเป็นหน้าที่ของเธอผลที่ได้รับกับเธอได้รับเองมาเปนนี่เปนว่าอย่างไรอันนี้ผมว่าบทพินมีแต่ว่าให้รู้จักการรู้จักงานรู้จักหน้าทีถึงเวลาต้องตืน่นผมบอกไว้ปีสาม ซีซ BER e ีล hmm? ุกแล้วมาเดินจมกลมรอบๆสระเมื่อแรงเมาเดินจมกลมรอบๆสระหรือมือสวยเขาจีบเดินจมคมอยู่น่ากุดก็ได้เล้ยมมือเขเดินเขาก็เดินสนวะขันมูอเดินเขาก็นั่งคุดคูอยู่ผู้ปฎิฐาแล้วผูมีความละอายในใจได้หนึ่งผู้มีความละอายแล้วจีมันจิตตื้นตัได้บอกมันต้องสำนึกอยู่เสมอผู้ใดรักตนโตเขาก็ต้องรักพระพุทธเจ้า พยายามให้พระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นมาในตัวเฮานี้พระพุทธเจ้าทุกพระองค์คนเราต้องเคารพพระธรรมพระสงฆ์ทุกพระองค์ต้องประพฤติปฏิบัติตามคำแนะนําของพระธรรมในคนวราพระธรรมยอมรักษาผู้ประพฤติธรรมนี่กระโตเฮานี่นะว่าเป็นพระธรรมโตเฮาทำดีก็เป็นพระธรรมสนุ้โตเฮาคิดนีก็เป็นพระธรรมสนวะ โตเฮาว่าดีก็เป็นพระธรรมกันวะได้ยินแบบเอาพระธรรมที่ใดมาอีกตืนเี่เอาพระธรรมเข้าในหูจะโม้เขาเนี่ยบางทเข้าได้บอ่อเจ้าเข้าหูหูมันก็เข้าบอ่อใดเจ้ว เ, เข้าในลูกตานี่มันก็เข้าบอ่อใดพระธรรมนั่นจึงคือโตขนทุกคนนั่นแหละทําการทํางานโดยไม่มีทุกเพราะเนินพระธรรมนิพพานนั่นแหละคือทําการทํางานอยู่ด้วยควางไม่มีทุก เพิ่งจังหวะพระธรรมยอมรักษาผู้ประพฤติธรรมไม่ให้ตกไปในที่ตัวอันนี้ทานนั่นคือควมดับดับให้มันได้แท้ๆนี่ผมรู้อันนี้แล้วผมจำนึกภูจีวาอย่างสิเรื่องให้ทานรักษาสิ่งินเจนดันดีแล้วนนมันเป็นคำสอนของศาสนาดึกดำบรรเก้าแก่มาแล้วเขาสอนกันลัดๆนี่ เอื้อใจเดียวได้โลดอันเรื่องเลิกนั่นอันเรื่องกลับจิตกลับใจนี่พอเอาฟังแล้วก็เลิกได้โลดเด้ตอนปฏิบัติให้เอาสู้สําเร็จเกิดขึ้นนั่นแทอันนั้นต้องใส่เวลาต้องใส่เวลาคือยังผมว่านี่แหละคือยั ง, อยงพอวานเฮ็ดจังซี่ <S <S <S <chan> <ree> แล้วผมคํานวณไว้อ้าวพระพุทธเจ้าบอกไว้ผู้ที่จเจริญสติประทานซี่ให้ติดต่อกันเหมืนลูกโซ่โโสัตย ย่างนานเจ็ดปีย่างกลางเจ็ดเดือนย่างเร็วที่สุดนับตั้งแต่นิ่งวันถึงเจ็ดวันมีอานิสงส์ประการนวันนึ่งเป็นพระอรหันต์ในปัจจุบันศาสตรนี้ถ้าหากว่าได้เป็นพระอรหันต์ในปัจจุบันศาสตรนี้นั้นต้องเป็นพระอนาคามีแน่นอนที่สุดเป็นวันอันนั้นว่มีผู้แนะนำด้วยศรัทธาทเทเด เรื่อมันคนขัวหาสูรสำเร็จผมว่านี่มันมีผู้สอนมีผู้สอนจังหวะมีผู้สอนเทคนิคกลไกมีคนวอาให้ฟังอ้าวผมรับรองว่าสาปีให้มันติดต่อกันจริงๆฝึกหัดตัวของเขาจริงๆมันจะนิ้มนวนลงไปเลยทึ้งบบทึงที่สุดแทกับตร้รู้จักเพราะผมว่าเนี่ รวมจริงมันเป็นต้นตตเขาจี้จืจ้ไปหมดถ้าไี่ปั่นเขาเนี่มันจิเลือดจะกลับคืนเข้าไปสู่สภาพมันหมดมันสิบออกมาทางข้างนอกเนี่เมื่ จ, จบหลักสูตรอันนี้อันนี้แหละคุนว่าคนเกิดมาร้อยวันพันปีห้าหมหุูจากสภาพหรือภาวะอาการเกิดดับอันนี้ชีวิตของคนนั้นก็เป็นหมันเป็นโมฆะันี้ บวชมาร้อยพันศา ก, ก็ตามถ้าหากโมโหจากอันนี้อันนี้ทรงการบวชของผู้หัน่นกาเป็นหมูคะบ่มีอันนี้สรงอันนี้บัดนี้คนเกิดมาเมื่อเดียวนึงบัดนี้รู้เห็นอาการเกิดดับอันนี้มีค่ามีราคามากเลยคนเกิดมาเมื่อเดียวมื่อี้ฟังเป็นเนี่ยมันก็กินขา้าวกระเบนนั่งกระเปบนห้องตั้งแยกตั้งแยกอยู่ที่ อันพวกเฮานี่แหละฟังอยี่ยพ่อว่านี่แหละฟังเชือเ่อดีเราเข้าใจโลดเนี่ เ, เปลี่ยนแปลงได้มีอานิสงฆ์มาสอนวราบัดนี้บวชมาแล้วก็มาฟังแ ล, ล้วรู้จักสภาพภาวะอันนี้อาการเกิดดับอันนี้มีอานิสงฆ์มาสอนอย่าว่าตั้งใจฟังตั้งใจทำํำย่าให้มันถอยละ่ะกย่ามีการพูดการคุยกันมากใน อ, อกก็คือกัน เออกก็คือการพระเอาคือการทุกองค์ถ้าหากเอาให้จังซีแล้วทับมูอขวัเขาี่คอยก้าวไปก้าวไปับเป็นอะไรแล้วก็ใส่ทุกสิ่งทุกอย่างพยายามช่วยกันแก้ไขดัดแปลงสิ่งที่บอดีให้มันดีขึ้นคันมันดีแล้วมมทันดีเองผมบอได้ดีเน้ ดี่างได้เลยดีตั้งแต่ว่าผมวาซิ่งนู้นท่านเป็นคนดีเองมู่ท่านเองเป็นคนประกาศต่อไปถ้าพระพุทธเจตายแล้วก็มีสาวกประกาศมาเนี่ยวันนี้ผมตายแล้วก็ลองมองดูวาสิ่เงเหล่านีผมว่าคนที่มีปัญญาขึ้นมาคนสร้างโบสถ์สร้างสิบหมดเงินเป็นล้านนี่ทำให้เป็นพระอริย บ, คบยุคคลบ่ได้ ปีกายนี้เปิดอบรม น, นี่มีคนไปเล่าให้ผมฟังรู้จักบวไหว้ผีบวไหว้เทวดาสูตรต้นต้นบวชเพื่อเลือกงามยามดีนี่ผู้นั้นได้สูตรต้นต้นสำเร็จขึ้นมาจากยี่สิบกว่าหลายบัดนี้กลางพรรษาพรนษานี้พรรษาทีแล้วนี่ก็มาเลาะเตาะแตะแต <c oughs> มันคงกับว่าได้ขุมมาเพราะว่าการปลูกสร้า ง, งมันมา ปีที่ผ่าสร้งางกับน้อยไปพันศานี่ต้องคุมกันจริงจงจังๆระยะ2เยอเดือนกน้่ต้องพยายามฝึกหัดดัดนิสัยตัวเองให้มันก้าวหน้าทุกคนการปฏิบัติมันจะไปเท่งใหม่เพียงทําให้มันสบายสบายมองไปพุ่นมองมาท่ให้มันคิดอย่าไปห้ามควมคิดมันยิ่งคิดเรายิ่งรู้ มันยิงโบคิดมันก็นยิงโบรูแล้วคือนักโม ย, เ, ยเขาเรียนโมยแก้งเหมือนเจ้าโเคยไปสกในสนามจักเท้อเขาเชงู่้มากจังว่า เ, าเป็นแซมเปี้ยนได้บอกผู้คนผู้ที่เขาจะโบเคยไปเข้าดงกึง่งโบเคยไปรงเรียนเขาจะเป็นแอดรถคันรถนัดตัวใดเสียเอามันไปแปลงแอดรถเด็ดมันเข้าไปหมูนจําได้เลยผู้ไปเรียนจบสร้างคนออกมาแล้ว บางทีขั Kristin, บรถยนต์เป็นซ้ำก็มีปูนุ่จักน็อตตัวนั้นตัวนี้ก็มีซ้ำแอดรถที่มันเฮ็กซมือมาจับซมือมันก็เลยรู้จักขับรถยนต์เปลรู้จักจับน็อตตัวนั้นใตัวนี้ได้บัตรนี้นักมวยคือกันเรียนแล้วบบเคยขึ้นเวทีบัตนี้โบได้เป็นนักมวยต้องขึ้นเวทีบ่อยๆตกบ่อยๆหูจับจีบบนหัน เขาซกมาอย่างสัน้นรู้จักรับบนนี้แก้ไขเลยผลที่สุดคนเคยซกก็เลยชนะทุกพัง ก, ก็ได้เปล่งแฝนเปี้ยนสนุวะยินมีเรื่องอย่างไงการปฏิบัติธรรมะของเขาก็เช่นเดียวกันคันท้าขึ้นขึ้ น, นลงลงแพบ้างชนะบ้างโอ้ไม่ปเป็นทาแล้วอันนั้นเดี๋ยวตั้งเมือตั้งตัวตั้งต้นชีวิตใหม่กลับต้นชีวิตใหม่ มาศึกษาเราเรียนสูตรหลักสูตรย่อยๆสำเร็จรูปขึ้นมาเองเป็นอะไนเขาเอินสูตรสําเร็จอันนี้สูตรสูตรนี้มีแล้วในคนทุกคนโบนกเวนจะถือศาสนาพุทธก็มีสูตรนี้จะถือศาสนาชิกก็มีสูตรอันนี้เป็นคนไทยเป็นคนจีน เป็นคนฝรั่งเศสคนอังกฤษคนอเมริกากมีสูตสูดดีเหมือนกันแต่คําพูดนั้นอาจจะไม่เหมือนกันที่ผมพูดนี่ผมเป็นคนไทยเด่นผมก็พูดภาษาไทยเสนอแต่ผมก่บพูดภาษาไทยบเนเตห์พูดภาษาที่ได้พูดเป็นนี่คือวัดสูดสําเร็จเมื่อสําเร็จแล้วกตะจนลู่จักมีงานเกิดขึ้นวัดซาร์สิ้นแล้ว พบขึ้นแล้วผมมาจันยูจบแล้วกิจอื่นไม่มีกิจการตุกษาหลักพระพุทธศาสนาจบนี้นี่เป็นสัจธรรมที่นำมาเราให้ฟังมือนี้ก็เห็นว่าสมควรเกริเวลาแล้วหลังจากการทวัดเย็นท้ายที่สุดนี้ผมและพระสงฆ์และญาติโยมทุกคนมานั่งฟังธรรมะอยู่ณสถานที่นี้ผมขออ้างอิงเอาคุณของพระพุทธเจ้า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 เขาเป็นสาวกพุทธจึงว่าเขารู้ตามเห็นตามเข้าใจตามพระพุทธเจ้าเพราะที่ซีมีพระพุทธเจ้าเป็นว่าแต่ทั้งหลายเราผู้เป็นตถาคตไปถึงแล้วแห่ง น, นั้นและจึงนำมาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายประพฤติปฏิบัติตามย่างเราตถาคตนี้ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีย่างเราตถาคตนี้ เห็นเป็นมีเหมือนกันกับพระพุทธเจ้าแต่ว่าพระพุทธเป็นจริงแล้วอันนั้นแหละคุณว่าพระพุทธเจ้าคุณสอนเอาไว้ในนะ้นว่าสัตว์ทั้งหลายคือเราตถาคตสัตว์ทั้งหลายเหมือนเราตถาคตสัตว์ทั้งหลายเป็นตถาคตบนนี้เป็นพระพุทธเจ้าเอา เป็นสาวกพุท ธ, ธะเดินตามรอยของพระพุทธเจ้าพันวาสันข้อที่สี่มีพันวาสันทั้งหลายเราผู้เป็นตถาคตไปถึงแหล่งแห่งนั้นและจึงนำมาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามย่างเราตถาคตนี้เขาจงให้ย่างพระพุทธเจ้านั้นบ่มากกันน้อยเขาฮ็้มากก็ดีแล้ว ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีอย่างเราตถาคตนี่มีคือกันรู้คือกันพระพุทธเจ้าถึงคนอินเดียว่าในอินเดียอันนี้ผมมันเป็นคนไทยเนี่ยคนบ้านบุหงค์คนอำเภอเชียงคานคนจังหวัดเลยมเมื่อเมืองลาวคนซ้ากพูดภาษาอีสานไดน้ผมไม่ได้พูดภาษากลางไนดะ้แล้วก็ฟังได้คนภาคกลางก็ฟังได้ คนภาคใต้ภาคเหนือก็ฟังได้แต่หากเอาบทตำนานฟังครับฟังที่บทเป็นเพราะมันคนภาคกลางเป็นอย่างนึง่งฟังเป็นภาษาได้เป็นภาษาบาลมบาลีดี่ยังรู้เรื่องต้นนั่นเลิกละได้เรื่องเลืก ง, งานยามดีผีเ ท, ทวดานี่มัดผมเครื่องรางของของัขงไส้หนังบางวันนี่ผมมัด สิ่งเสพติดทุกประเภทผมเลิกได้เม็ดเด็ดขาดลยมาเดียจนถึงทุกมือนี้รูเบืองต้นคันที่ส่องมาผมเรื่องโทสะโมหะโลภะนี่บางไปโรดทันทีเนี่ยคันที่ซี่มาสูตรมันเป็นมาที่เราให้ฝังสู้สรลีหนึ่งควมยึดมั่นถือมั่นอุปทานต่างๆเนี่ยจางไปโรดนี่คันคันต่อมาการรู้จักสิดโรด เห็นสิ่งขันสมาธิขันปัญญาขันขันศาสตรนี่เห็นมาโลุเป็นแล้วก็รู้จักสมถะกรรมฐ า, านไปอย่างสัน้นนี่พัฒนามาจังสีรู้จักจังสีที่ผงนามา้อยฟังพวกเขาก็ต้องตั้งใจให้บรรลุเป็นรูปเป็นลางขึ้นมาปฏิบัติท่านเป็นจังสีหล่อเบื้งขั้นต่อมากขาหุดจักรวาทําบาปทําบุญ ไปตกนรกจังไดไปขึ้นสวรรค์จังใดเนี่ยมัรู้จักมาเป็นเป็นสู้เป็น ส, นสู้หรือเป็นขั้นเป็นตอนมาตามตำรับตาราครูบาอาจารย์พันวาไว้นั้นเป็นปฐมฌานมีองค์เทหันทุติยฌารมีองค์ท่านั้นตติยฌารมีองค์เท่านั้นจตุทัตฌานมีองค์เท่านั้นปัญจมฌานมีองค์ท่านั้นทั้งองค์มีองค์ห้างองค์สองอค์หนึ่ง ผมมันไปจาําทร์ลอกเรื่องตรรานเพราะว่าผมมมีเครื่องกรองในตัวอยู่แล้วพวกเขากา็มีเมื่อทุกคนถ้าหากฝึกหัดอังสั้นแล้วผมว่ามันเป็นการสะดวกสบายต่อการปฏิบัติธรรมะของธรรมจิตก้าหน้าขึ้นไปเป็นก า, ารเป็นการดำรงวงสกุลเป็นการสืบต่ออนุภาพุทธศาสนาะ ทำให้คําสอนของพระพุทธเจ้าเจริญ ง, งอกงามขึ้นมาอย่างที่เขาว่ากันสมน่นพระธรรมของพระศ า, าสดาสว่างเปียกดวงประทีพคอยจะกีอ้อดดูบัดนี้พวกเขามาทำหลงบึงพระธรรมของพระศาสดาให้มันเป็นตะเกียงเจ้าพายุเพื่อให้เป็นหลอดไฟฟ้าให้มันมีควมสว่างขึ้นหลงบึงรู้มันกี่ตื่นทงังไหนอันนี้แหละ มันเป็นของจริงที่ว่าเป็นตัจจะแท้เป็นของจริงแท้โบเพี้ยนแตกที่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสรู้มันกลาเป็นจังตัน ย, ยูเมื่อมีพระพุทธเจ้ามาตัดสรูก้กลเป็นจังตัน ย, ยูจ่เหาหลงเขาเลยไปจิตบุญซะไปจิตพิธีซะสาสนาพิธีอย่างนั้นเนี่ย